ถามการคุ้มกำเนิดเป็นบาปในทางใดทางหนึ่งหรือไม่ตอบบาปที่เกี่ยวกับชีวิตนั้นเข้าข่ายปานาติบาสสำหรับปานาติบาทนั้นประกอบด้วยองค์คือ 1. มีความคิดที่จะฆ่าคือตั้งเจตนาว่าจะสังหารแน่ๆ 2. ส, สัตว์นั้นมีชีวิต หมายความว่าถึงแม้เห็นเงาวูบวาบและนึกว่าเป็นสัตว์ก็ไม่นับถึงแม้จะมีเจตนาฆ่าปาณาติบาศก็ไม่สําเร็จครบองค์สมีความพยายามลงมือฆ่าหมายความว่าถึงแม้มีเจตนาอยู่ในใจว่าจะเอาจริงแต่ยังไม่มีการลงมือจริงอาจเปลี่ยนใจได้สัก่อนปานาติบาศก็ไม่สําเร็จครบองค์สี่ สัตว์นั้นตายลงหมายความว่าองค์ข้อก่อนๆครบแล้วแต่สัตว์ไม่ตายปานาติบาทก็ไม่สาเร็จครบองค์อยู่ดีขอให้พิจารณาว่าแม้ชีวิตก็ยังไม่เกิดเจตนาฆ่าก็ยังไม่มีแถมสัตว์ไหนๆก็ยังไม่ได้ตายลงไปเพราะฉะนั้นบาปข้อปานาติบาทก็ยังไม่เกิดขึ้นหรอกครับสำหรับแนวคิดที่ว่า การปิดกั้นไม่ให้วิญญาณได้มีที่เกิดนั้นผมถือว่าเป็นแนวความเชื่อซึ่งจะยึดถืออย่างไรก็อาจถูกได้ตามจริตศรัทธาแบบนั้นๆเช่นมองว่าเราไม่เกื้อกูลไม่ให้ที่เกิดอันประเสริฐไม่ให้โอกาสแก่ผู้อื่นมาถือกำเนิดในมนุษยภูมิเพื่อบำเพ็ญคุณงามความดีหรือบารมีไปนิพพานอันนั้นก็นับว่าชอบไม่เชื่อเรื่องต้องว่ากัน แต่ถ้าไม่พร้อมจะมีหรือไม่ปรารถนาจะมีจะด้วยเหตุผลคนใดก็ตามก็จะเป็นความเชื่ออีกแนวหนึ่งที่ยังไม่ได้รบกวนใครหรอกครับหากคุณเป็นคนดีของสังคมก็สามารถมีเมตตากรุณากับคนที่เกิดมาแล้วโดยไม่ต้องอาศัยคุณท้องได้เหมือนกันใช่ว่าจะต้องทําตัวเป็นพื้นที่เกิดของคนอื่นแล้วจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเมตตาอย่างสมบูรณ์หรอกครับ